อาญาเยมะน่าหลายวันนี้เป็นวันเรีระธานวันต้องของเดือนตุลาคมสองพันรสาเอวันนี้ก็ขอพูดเรืองกสินถ้ากระสินเนี่ยงวดหนึ่งก็จะบ้ากสามกองเป็นกว่าระจเพราะว่าบรรดาญาโยมบริษัทหลายคนแต่พอเริ่มฝึกมโ น, นยุติต้องมีหลายคนสนใจเรื่องกระสิน บางท่างเคยคิดว่ากาสินนี่เป็นกรรมฐานยิเศษมีกำลังมากตุกยากอะไรเป็นต้นแต่ความที่งกสินกะกรรมฐานธรรมดาแต่ว่าเป็นกรรฐานที่มีนิมิตไปื่องจับเป็นกรรมฐานยากสรงฌานได้ง่ายวันนี้ในตอนตืนขอพูดถกาวสินก่อนอย่างอื่นัดเง้ไว้เมื่อกสินวันนี้ก็เป็นเตโชกสิน คำว่าเตโชกระสินหมายกระสินแปลว่นิริศนะคาว่าเตโชีหมายถึงไฟการฝึกเตโชกระสินต้องใช้ไฟเป็นยนิตเวลาใช้ไฟที่ตามแบบฉบับถ้านให้จุดไฟเป็นฐานให้เป็นฐานแดงนะแล้วก็อยู่ในที่บังคับพอที่จะไม่ไหมอะไรได้อะ่าใช้ทังใจทั้งใส่สปองอะไเป็นต้นเนี่ย แล้วก็เราก็ลืมตาดูแสงไฟพอจำภาพแสงไฟได้ก็หลับตานึกถึงภาพไฟนี่ตอนต้นมีแค่นี้นะนึกถึงภาพไฟถ้ายังจำภาพไฟอยู่ถือเรื่อใช้ได้จิตเป็สมาธิถ้าภาพไฟเลือนอ่างใจไปก็ลืมตาดูใหม่ต้องทำแบบนี้เหมือนกันทุกองก็ศิลเหมือนกันหมด แล้วคำภาวนากนนวนาก็สิงกองนี้ภาวนาวเตโชกสินังคำภาวนาแค่สับวเตโชกสินังมีเกิดสิงไฟเนี่ยน้ภาคเราก็สิงไฟใช้ได้มากก็ได้โอ้ยใช้ให้เกิดความร้อนระทับไหนมีอาการหนาวจัดมีความเย็นสูงตัง้งารความอบอุ่นอธิษฐานก็สิงไฟใ ช, ช้จะให้ร้อนไม่ใจอุ่นขนาดไหนก็ได้ หรือว่าที่ไหนมีความเมื่อต้องการให้เกิดแสงสว่างใช้กระแสไฟช่วยที่สว่างเฉพาะเขมีคืออารม์สิน้นหน้าสว่างเฉยเฉยเพราะว่าแท้กระสินไฟต้องใช้แสงไฟทําความสบายให้เกิดขึ้นในที่นั้นเมืม่อรเราจุดตะเกียงนนี้เป็นอนุภาคของเตจุลสินก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติก่อนจะความจริงนั้นไม่ยากในเมื่อเราลืมตาดูแสงไฟ แสงไฟที่ถ้าตามแบบต้องทำไฟกลมโตจะบริเวณกว้างประมาณหนึ่งศอกเึงต้นเพราะว่าแบบที่ลำบากเอ า, เอาเอาตะแถาใจเอาดีใบไว <c oughs> แต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆมันได้ยากจุกเราไม่ได้ทำกันแบบนั้นจะใช้ไฟอะไรก็ได้ <c oughs> เห็นไฟได้เกียงก็ใช้ไฟจะเกียงได้ เห็นไฟจากเปลไฟจากเทียนแค่เปลวไฟจากเกียนได้เ้่าที่ปฏิบัติกันมางก็ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบจะต้องจําเป็นต้ววองเดก่อไปทําเป็นสถานที่ไอแบบนั้นเรื่องก่อแล้วทำเป็นสถานที่เป็นเหตุให้คนท้อถอยแต่ว่า อ, าอาจารย์อาจารย์ท่าก็เมตตาเราคิดว่าถ้าทําไม่ถูกมันจะคือไม่เกิดผลไปความจริงมีผล เทาที่เคยปฏิบัติกันมาใช้แสงเทียนก็ะไดเวลาทําวัดสวดมนต์เนี่ยเว <c oughs> ลาทําวัดสวดมนต์กอ็มองแสงเทียนจําแสงเทียนให้ได้ถ้าเปลวเทียนสบัดแบบไหนจําไว้แล้วก็หลักกาคิดถึงภาพเปลวเทียนปากแล้วก็สวดไปใจก็มึนขึ้เปลวเทียนถ้าบังเ อ, อิญเปลวเทียนสลายจากใจเลือนไปอื่นตาดูใหม่แล้วก็หลับไปทําแบบนี้สลับกัน จุดทัางต่อมาเกิดความเยื่อมานภาพความเริ่มเข้าสถานที่ทําวัดสวดมนต์การทำบูมก็เขานั้นไม่ใช่คนเดียวถ้ทาทั้งที่เสียงดังๆนแหละเริ่มจับภาพเทียนแล้วก็หลับตาภาพของแสงเทียนที่เป็วไปก็าถึจะจับอยู่ในใจตลอดเวลาที่เราสวดมนต์อย่างนี้ถ้าภาพทรงตัวแบบนี้ถือว่ามีโอกาสนิดเด้ย อกาอานิมิตก็ ถ, ถือว่าเป็ น, นมิตเล็กน้อยอามากน้อยมากของการศึกษสมาธิถือว่าแต่ว่าอกานิมิตในเบื้องต้นจะเป็นแสงไฟธรรมดาไฟเคยสะบัดแบบไหนมีเปลวแบบไหนเราจะมีความรู้สึกตามนั้นนึกจิตนึกถึงไหมไม่ใช่เราภาพมันลอยข้างหน้าอย่าเข้าใจผิดจิตนึกถึงภาพไฟมื่อไรเห็นเมื่อ น, นั้น เห็นแม่ตระเวลาขณะใดที่จิตเห็นภาพอยู่เวลานั้นถือว่ามีวอนไม่กวนใจเราก็ถือว่าเวลานั้นจิตของเรามีสมาธิมีสมาธิในเตโชก ส, สินถ้ากำลังสมาธิเพียงเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าว่าใช้ได้ใช้ได้แบบไหนใช้ได้ในการฝึกที่ศาสนาญาณ ไม่ความเป็นพระเดียจเจ้าเปื้อนตนใช้ได้เลยจะเป็นมัสโซดาบันก็ใช้สมาธิแค่นี้ได้จะเป็นพระสุธาคาร ม, มีก็ใช้สมาธิแค่นี้ได้เว้นไว้แต่ก้กางจนถึงอนณาคามีก็ใช้สมาธิสูงกว่านี้แค่นี้ที่เมื่อก่อนต่อมาต่อมาเวลาปฏิบัติจริงๆอย่าได้หรื <c oughs> อระกถ้าเกษินก้อกลายสียเหมือนกันทุกกอง อันดับแรกเห็นเป็นแสงไฟจรรดาให้ภูมิใจว่าเวลานี้เรามีสมาธิถ้ากระดาดจําแสงไฟได้ขนาดนั้นมีสมาธิเราพอใจขนาดใดแสงไฟหายไปจากใจคิดันนีวันนี้นคควราโกนใจเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ลืมตาดูแสงไฟใหม่ถ้าจําภาพแสงไฟแล้วก็ตาหลับตาใหม่เอาอย่างนี้นะสลับกระจายสมมา ไปนานๆเข้าต้องหลายๆวันท่านนี้เว้นไมแต่ว่าคนที่เคยได้มนุษยชาติก่อนคนที่เคยได้กับสินกลองนี้มนุษยชาติก่อนจะทําแค่สามวันจะถึงทางสีทันทีอันนี้จริงไว้เพรในคำไม่อยากเอาแบบเภทที่เริ่มฝึกกันต่อมาแสงไฟจะเริ่มกลายสีจากแสงไฟธรรมดาเดียเข้าเคยเหลืองขึ้นมาเรียนน้อย เหลืองจะริมเข้ามาก่อนถ้าเหลืองามาทีนิดทีหน่อยต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยแล้วถ้าสีเหลืองหมดทั้งเปลวไปในทั้งหมดสีเหลืองหมดเหม็นกันหมดอย่างนี้ถือว่าอุปกรณ์นี้มิดเริ่มก้าวเข้าสู่เบืเออเ้องสูงถ้าถ้านิมิตเปลี่ยนสีย่านิกว่ามันเป็นโทษไม่ถูกไม่ได้ชอบพูดดูกระสินโทษอันนี้หมายความไม่ได้เคยทำไม่รู้เรื่องจริง พอที่มิตกลายจาแสงเดิมกลายเป็นสีเหลืองจะค่อยคยเหลืองเพียงน้อยแต่น้อยก็ออยเหลืองขึ้นเนจนกว่ายะเต็มดวงไฟก็เหลืองเหลืองมากขึ้นเป็นที่สีที่ก็าจเปลี่ยนไปเวลบาบังมาพูด ต, ตอนนี้บรรดาญาติโยมบางคนคิดว่าเวลาทำต้องการให้เปลี่ยนสีเร็วไปเร่งรัดอย่าไปเร่งรัดไม่ได้จะถอยหลังต้องปล่อยไปตามสมบายถ้าจิตเป็นสมาธิสูงขึ้นสีก็เปลี่ยนเอง พอสีเหลืองจักเตมมาตรายังไม่ถึงกำลังสมาธิเบื้องต้นคืออุบาห์มิมิตกยาวต่อม า, มาเมื่อสีเหลืองจักเตมมาตราหลักตาอะไรนึ่ถึงอะไรเห็นสีตามนั้นทันทีจิตทรงตัวเป็สมาธิสูงขึ้นคิดละเอียดขึ้นเพราะว่าอุบาห์มิมิตคืออุปจารสมาธิที่มีคือห้าชั้นด้วยกันและต่อมาสีเหลืองจะค่อยกลาย แตกค่อยๆสีซีดลงไหมความสีเหลืองค่อยๆหายไปสีขาวก็เข้ามาแทนแตกจะค่อยๆหายเปียนน้อยแต่น้อยไม่มากนะักอาจจะเป็นหลายวันจะหมดตัวงหายเปลี่นได้จะหายจากความเหลืองเข้มข้นก่อนเป็ น, นความเหลืองเหลืองจางจางลงมาจนกระทั่งเหลืองหมดไปเหลือแต่ขาวสีขาวไวสุดแล้วก็โปร่งใสามาก อย่างนี้เทปแลอกหานมิลิเต็มอัตราแต่ยังมีกําลังไม่พอต้องใช้กําลังด้วยนะมีสมาธิพอแต่กําลังของสมาธิยังเข้มแข็งไม่พอต่อไปได้เบการบังคับมิมิตว่าดีไม่กระสือเป็นสีขาวสะอาดนีิจงอยู่บนสูงสูงขึ้นไปมิมิตก็จะสูงขึ้น เพิ่งไปอยู่ข้างซ้ายนี่นิดก็อยู่ข้างซ้ายเรามล็ก ใ, ใจนะไ ม, ม่ต้องบอกให้ฝากเพ่งอยู่ข้างขวานี่นิดก็อยู่ข้างขวาไปอยู่ข้างหน้าเรอยู่้หน้าอยู่ข้างหลังก็ไปหลังตามใจเราชอบเจ้าอธิษฐานเนล็ก ใ, ใจว่าขอเล็กนิดกด็จะเล็กลงจะค่อยๆเล็กลงเล็คซึงให้เล็กถึงที่สุดขนาดไหนก็เล็คได้อนนธิษฐานว่าขอา น, นี้นิดก็จะโตขึ้นขนาดไหนก็นนตโตได้อย่างนี้ถ er ือว่ากาลังเต็มโอกาสนีด เป็นอุปจาระสมาธิเต็มที่ทตอนนี้มาถึงคุณสมบัติของเตโชกศินวันนี้จะต้องคุณสมคุณสมบัติสองขั้นก่อนเตโชสินนี่นอกจากจะใช่ฤทธิ์หนึ่งให้เกิดความร้อนจะต้มน้ํจาจะหุงข้าวใช้เตฝนสินใช้ได้ไดเลยไม่ต้องสินไม่ต้องใชา้ามันจไนฟ รดยถ้าว่ามีความเย็นความหนาวเมื่อกล้ามากเกินไปต้องกายความอบ อ, อุ่นอดิฐานขอบารมีพระเจ้าช่วยขอความอบ อ, อุ่นขณนะนี้จะแปลกด์ขึ้นจะอุ่นตันนั้นโดยขอแค่ร้อยขนาดไหนก็ได้โดยถ้าไม่ชอบใจใครจะพูดมากก็สั่งให้ไฟล้อมตัวอย่า ง, งนั้นแต่ยังไม่ร้อยก็ใช้ได้ร้อนขนาดไหนก็ได้เหมือนกันหมดที่ทำแต่กันบาปชามเสื่อมไง ถ้าแกล้งเขาชางเสียมบัญชีของเรามาเกี่ยวดีบุญไม่ที่เกี่ยวดีบาปแต่ว่าเขาทํากันได้ไม่ถึงกับฆ่าก็คเลหรือว่าเป็นการล้อมใบพฤกษามาให้รู้สึกตัวอย่างพระโมคคัลลาท่านทำเอใช้ได้แล้วต่อมาใ น, นเมื่อกรสินมีกําลังสูงขึ้นขนาดนั้นแต่ยังไม่เต็มต้องให้เต็มวิธีกระสินจะเต็มกั็นยังไง กสินจะเป็มเวียต้องบังคับกระสินารจิตให้ทรงตัวแล้วก็ต่อมาก็เราไม่ต้ใช้จัดความร้อนความสบ่างละไก็มาใช้ระบบนี้ทิฏุกุญญาณเพราะว่าเตโชกระสินก็ดีโอธากระสินก็ดีอาโลกสินก็ดีสารกระสินนี่เป็พื้นฐานของทิฏฐกุญญาณ เราต้องการเห็นนรกเห็นสวนนรรค์เห็นดาราเห็นปมเห็นสิ่งของต่างๆที่เราไม่สามารถเห็นได้ตาเนื้อได้ต้องการเห็นเขาใช้เราฉีด ส, สามกองนี้ก็ฉีดสามกองนี่กองใดกอ ง, อกองหนึ่งโดยเฉพาะใช้ได้เดิมไม่ต้องใช้เป็นสามกองถ้าเราทําถึงกันอุปจาระตอนวารสมาธิขณะ น, น, นี้ใช้ทิญยาณได้ตั้งตัวแล้วใช้ได้เป็นอัตรา ไอการมาลี้สามวันก็จะประสินทั้งสามนี่มารวมกันต่อท้ายกันมาละก่อเพื่อความเข้าใจของบรรดาทัาท้งผู้บริษัทถ้าต้องการฝึกทิพย์ก็ะคุยยานต่ความจริงท่านจะได้มโนยิธิแล้วก็ไม่ต้องนะใช้อันเก่าเราใช้กระสินได้แต่ว่าใช้ยานเดิมเพราะว่าอันนั้นมันเป็นผลอยู่แล้ว <c oughs> ต่ยานเดินเหือนผ้าแจ่มใสขึ้นถ้าท่านพยายังไม่ได้มโนยิธิให้ใช้ตามนี้ ถ้านีน้มิตเกาสิงถึงอุปจารสมาธิเต็มกาลังเก้สิงขาวบริสุทธ์กด่องดีมากบางคั้งไอเล็กก็ได้บังคับงไอ ใ, ใหญ่ก็ได้ไอสูงก็ได้ไอต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังให้ได้เล่นใคร่องทําแบบนี้ทุกวันจับให้ทรงตัวดีบริจิตเป็นสุขขอเก้สิขขสงตัวเล็กลงเล็กลงโดยม่สุดขอ ใ, ใ, ใหญ่ขึ้น ให้อยู่สูงอยู่ต่าต้องทําในครองเล่นในคลองหลังจากนั้นมาถ้าเราต้องการฝึกคิดคุยานให้ตั้งใจว้โดยเฉพาะสวรรค์มีหกชั้นถ้าเป็นแปกถ้าลุกกฐิวดาและปุมฐฐ่มกฐิวดาถ้าเราต้องการเห็นสวรรค์ชั้นไหนเห็นทั้งหมดเล ย, ยเฉพาะอุมาไทโกตันให้ตั้งใจกา่มีคิดว่าขอภาพกาสิงทรงหายไปภาพอีมามและภาพสวรรค์ชั้นนั้นโดนนปรากฏ เราจะเห็นสวรรค์ชั้นนั้นวิมานหลังนั้นเท่าเีเราเห็นภาพกระินนี่ชัดมากเพื่อของที่อยู่ในหตไม่ห่อมนกระเป๋าใครเราตามเราต้องการอยากจะทราบจากภาพกระสินปั๊บให้จากภาพกสินส่งตัวถ้าครอกแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีอาจารย์ธรรมะมองหน้าเขาใช้ไม่ถึงแบกเดียวมาเอาแล้ว เรอว่าใช้เท่าข้ อ, ขอจริงมันลึกพกักกาใช้ได้เลยต้องการรู้ของในกระเป๋าข้ามือะไรบ้างจาาับขา้าวศิลป์ปัดขอคว้าประสิทธิ์หายไปของในกระเป๋าเริ่ปรากฏมันจะปรากฏชัดหมดถ้าปริมาณทรัพย์สินจะบอกเสร็จอรุจะรู้ที่เขาพูดที่คนที่ตายคนที่ตายไปแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนเราต้องการอ ย, ย, ยากจะทราบ มีจสภาพอย่างไงขอดูพื้นที่ขอดูบุคคลขอดูพร ก, กเวาณนาด้วยความสุขทั้งหมดจากภาคกระสินแล้วเพื่อภา พ, าพกสินหมาย่าอธิษฐานว่าภาคกสินจนหายไปขอภาพบุคคลนั้นได้รานที่นั้นยงปรากฏก็จะปราบอุปคข้าน้าเราอันนี้มีประโยชน์ใหญ่มากนะยังขอบอรรดาญาโยมของบริษัทถ้าจะทํากระสิน โดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เคยได้มโนยิทธิแล้วก็มาตังยาย้งย้ายฝึกกสิณได้แต่ใช้กําลังเอาสิณไปช่วยมโนยุธิจะมีความจำใสเพราะว่าการฝึกมโนยุตินั้นก็ใช้กสิณอยู่แล้วการที่ให้ทุกคนเห็นภาพร พ, าพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าเนี่เป็นพุทธานุสติแต่ภาพท่านเป็นกสินถ้าเห็นภาพท่านห่มผ้าเหลืองจะเป็นปิตกากสิณ ข้าพกล่าท่านที่เห็นภาพระเ จ, าจ้าแจ่มใสมากเป็นแก้วใสยานี้เป็นอะโละสินเห็นภาพพระเจ้าเป็นสีขาวยานี่เป็นโอทาตกสินแต่เพราะสีนะแต่องค์ท่านเป็นพุทธเจ้าเป็นพุท ธ, ธานปุปติคมทานก็เึกกรสินแบบนี้เอาไปใช้เด่เลยเอาใช้ร่วมกันนี่สำหรับอันดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าทําได้ตามนี้จะลืมย้อนหลังนิดนึง ก็สิ้นจะตั้งขึ้นได้เพราะอาศัยหนึ่งสิ้นอย่าลืมว่าศิ้นเป็นปัจจัยเกิดสมาธิถ้าทุกคนบกคล่องในศิ้นสมาธิเราจะบกคล่องไปด้วยเวลาที่จะสม า, ารรมทานกรรมฐานอย่างน้อยสุดสมาทานสิ้นไว้ก่อนเพราะด้วยแม่นักการประกอบอาชีพของเราบางทียึดพัดตั้งในศิ้นก็เพื่อเป็นความไม่ประมาท เวลาก่อนจะเจริญกรรมฐานสมาทานสิ่ก่อนให้สมาทานด้วยความเคารพท่านว่านมโมตัสสะนั่นหมาถึงพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจไหว้ห้ด้วยความเคารพตามพุทธทางกำ น, นังกระฉามิถ้าถึงพระพุทธเจา้าขอถึงพระเจ้าไปฏิเสธความนึกดความเคารพธรรมังสั ง, างขารก็เหมือนกันถ้า ต, ต่อมาที่สมาทานสิ่ให้สมาทานด้วยความเคารพว่าเราจะทรงสิกขาบทห้ารายการและแประ ก, การในครบถ้วนในบกพร่อง ปฏิบัติใจเคารพจริงๆหลังจากนั้นก็สวดมนต์บ้างเล็กน้อยตามทุกคนและสม า, ารรมทานระกบรติทานสมาทานให้ควรสมาทานแล้วถ้าไม่สมาทานความมั่นคงของจิตจะไม่มีจะไม่เกิดความเชื่อมัน่นโดยสมาทานแล้วก็เริ่มต้นจะจับสมาธิอันนี้อย่าลืมนึกถึงู้่วันห้าประการในตอนต้นก่อนที่จับสมาธิเบื้องต้นทำไม่ใหม่นะ่ะ ตัเก่านไม่ต้องตั้เก่าที่เข้าแ้วเขาไม่จับไม่จะปบปุ๊บปั๊กมันได้เลยแล้วมนึกถึงวันห้ารการว่ามีอะไรบ้างทำลายยักยักย้งมันก่อนทำลายไม่ได้เราไม่นึกถึงมันตอนนี้ขอนึกถึงลมให้ใจเข้าออกถ้าเราจะจับภาพวสิณด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าตั้งใจจับภาพหลังจากนายกำบอกหนูภาพวสิณลืมตาดูจับภาพวสิณให้ดี พร้อมกันแล้วภาวนาไหว้เตโชกสินังพร้อกัให้ใจเขาออกว่าตามสบายก็นแล้วกันแค่ว่าทีลรคำก็ได้ควบก็ได้นะเอาแค่ไม่เหนื่อยแล้เตโชสินังเตโชสินังอย่าให้มันเหนื่อยอย่าใมันเร็วนะมันจะเหนื่อยจับภาพได้แล้วหลับตาเนึกถึงภาพแล้วย้อนปนทำแบบนี้ถ้าเรื่อนาภาพเรื่อนไปให้เรื่อนตาดูใหม่ อย่าไปคิดว่าขอภาพไฟลอยติดตาเข้าไเจ้าจ อ, อันนี้มันใช่หรอไม่มีมันจะฝืนเกินไปเว้นไ้แต่ผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานมันจะลอยติดตลอดใจอยู่เสมออันนี้ยั ง, ยงไม่ต้องถึนทางขนาดนั้นนะเอาแค่นึกๆกอะไรมาวันนั้นนึกอะไรเห็นมานั้นต่อไปก็เส้นเจล็ดภาพคลายสีได้วยอย่างาภาพคลายสีจะ บางท่านยาาแยกินข่าวว่านั่นเป็นกระสินโทษอย่าไปเชื่ออย่านั้นถือตำรามากเรนไปแล้วไม่เข้าใจในตำราข้าสินทุกองต้องคลายไปหาความเป็นใบกายพุทธเหมือนกันหมดกระกายพุทก็คือตัวชันแล้วต่อมากระสินกไจะ ก, กลายจากแสงแดงสีเดิมมาเป็นเหลืองเหลืองเล็น้อยก่อนจากริมเข้ามาหากลางต่อไปก็เหลืองจาก จากใครจะเดินใจก็ค่อยีดลงเป็นเหือเป็นสีขาวเมว่อถ้าเป็นสีขาวสะอาดเลยสดเป็นอุปจาระสมาธิอุกาลินิตปี่เป็นตอนต้นแล้วก็ตอนเนี้ยใช้ทิกขยานได้แต่ต่อไปถ้ากระสืงบัญชานสีขาวจะเคยก็กลายเป็นแก้วสีขาวจะเป็นแก้วเี่าน้อยๆที่แรกจะเป็นแก้วลึกขึ้นไปนิดหน่อยนะครอนกันก็ลึกมากสุดๆที่สุด เอาพูดวายอ่อพกเหมือนกันทีแล้วมาก็ไมาความเป็นแก้าทั้งดวงลายจะาระเั้พายเลสกร็ดาษกระใหญ่ก็ได้มีสภาพเหมือนกันถ้าเป็นเจ้าและเศร้ามาเป็นชานถ้าขาวเฉยยังไม่ถึงชายใกล้าชานเรื่องความว่าเรื่องของเราสิงก็ถือเป็นพื้นใหญ่เอาแค่นี้นะพูดมากที่จำไม่ได้ต่อไปก็ วดว่าที่แรกมายกทรงถามว่ากระสินเป็นลิัสนายานได้ไหมก็ต้องขอตอบว่ากรรมาฐานทุกกองขึ้นต้นในสมถะแล้วก็ต้องลงลิัสนายานเหมือนกันหมดถ้าถ้าใช้กระสินเป็นลิบสนายานอันดับแรกเอาง่ายๆแต่ใช้ปัญญาน้นน้อ ย, อยก็จํำลิัสนายานไหมว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวไม่ไงก็มีเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วในตัวตนแล้วก็ดับไปในที่สุดอันนี้เป็นยุทธศานายานแล้วก็นึกถึงภาพตัวสินว่าอย่างพระพุทธเจ้าที่มังกลอริยาเป็นสังขาราสังขารน่าหลายไม่เที่ยงหนา วาทิฏฐามิโนโนเกิดแทรกก็เสื่อมไปอุปจัตวาในรุษสันติเกิดแทรกกดับไปเตีังบูปสโมทุโขอการเข้าไปสงบกายด้านเชื่เป็นสุขอันนี้เป็นวิวัฒนาการตัวสําคัญพระปัสกุลแล้วก็จักภาคกระสินตามนี้ภาพกระสินก่อนจะเกิดเกิดขึก็เป็นปความยากเพราะเกิดแล้วมีสภาพแจม่มใสสภาพแจม่มใสก็โลสินจะทรงอยู่ไม่นาน เมื่อกิจเราเคลื่อนจะสมาธิสมาธิคลายตัวภาพตสิงก็จะเสื่อมลงมาจากแ ก, ก้เปลือกกายสาวรศีขาจะกลายเป็นสีมัวเมื่อกะจังลงในสุดกะดับไปมันสมาธิเคลื่อนข้อนี้มีอุบมาชั้นใดก็เหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของเราก็เทียบกับภาพตัวสิ่งว่ามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวเต็มที่ใน ก, กสิงดวงนี้ ต่อมาร่างกายเราสุดโทมแก่ไปทุกวันทุกวันมันเขาแก่มันมาสุดโทมสุดไปเสื่อมไปแล้วในที่สุดร่างกายแเรวก็ตายเหมือนผ้ากระสีที่หายไปเตสังโมกสมุตโขทุกแต่ว่าการเข้าไปสำรบจกายนั่นเจื่อเป็นสุดก็คิดต่อไปว่าถ้าร่างกายนี้ยังมีอยู่เพีองใดความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความดับไปเหมือนผ้ากระสีย่อมปรากฏตามนี้ แปลว่าถ้ารางการไี้ดับหมดเมื่อไร่คือไม่เกิดต่อไปได้ปชนิดนี้เราจะไม่มีความเกิดความแก่ความดับแบบนี้จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่คือเอาได้ของปัญนายาได้ดอาศิณ์อาศิณ์อันที่ตั้งนะแต่ความจริงใ น, นเมื่อติดมีสมาธิเขากําลังอาศิณ์เราจะใช้โฆษนาญาณอะไรก็ได้ตามที่คล่องทุกอย่างมีผลไม่กันหมดแต่นีเ่ในเมื่อ เราใช้ใัสนายานได้แล้วถ้าเอิญใช้กํลาลังคิดในด้านใัสนายานไปจิตเฟื่องมีการหวั่นไหวจิตสรสะเรียวสมาธิโทมลงมันจะเพื่อนเราก็ทิ้งใบสนายานถ้ายังไม่เบื่อเริ่มจับอนาปารใหม่จากภาพวสิณใหม่ภ า, าวนาวเตโชชินังใหม่อย่างนี้ต้องสลับกันไปเว้นไม่แต่ผู้ส่งชาน ถ้าผู้ทรงฌานมีกําลังทรงฌานดีแล้วเขาจะเข้าฌาเนเต็มที่จับสีก็สินเป็นสีขาวกว็าตามแต่ผู้ทรงฌานเขาไม่เอาขาวเขาเอาเป็นแก้ว <c oughs> แต่อย่าไปเรื่องรัดนะเรื่องรักมันจะเกิหลังได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแค่สีไฟสีเดินก็ใช้ได้ให้พอใจว่าขนาดใดดีสีไฟเป็นสมาธิก็ใช้ปับสมาญาณได้ลนเมื่อใช้กําลังของเขาสินเป็นอัตรา กำลังมันเข้มแข็งมากถาเวลาใช้ปัญญาจริงจะมองทุกทุกคามดวงไปหมดการเห็นกาเกิดในสัตว <ées> ่ามันเป็นทุกเห็นทุกหมดความเข้าใจในความทุกกาเกิดจะเกิดขึ้นเห็นว่าความหิวก็เป็นทุกความกระหายก็เป็ทุกเมื่อเกินไปก็เป็นทุกหนาวเกินไปก็เป็นทุกร้อนเกินไปก็เป็นทุกความหิวก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตาตันหนาไม่คอยสมหวังก็เป็นทุก ควาการประกอบอกิจการงานต่า ง, างเๆเรียกเลยว่าทุกมันทุกหมดในโลกไม่มีอะไรสุขที่ตัวปัญญามันเกิดพราะเวลาสมาธิจักรสิงขึ้มแข็งมากในเมื่อเห็นทุกอย่างนี้ก็จะเห็นสุขในนิพพานแต่ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาได้เพราะสายการเกิดเปงธรรมด า, าเขามีร่างกายถ้าร่างกายนี้ยังมีอยู่เพียงใดทุกชาติที่ เ, เกิดจะมีแต่ความทุกข์อย่างนี้ ความสุขอื่นไม่มีเราจะหมดความทุกประเภทนี้ได้เพราะอาศัยไม่มีร่างกายที่จะบอกว่าตสั้นบูมอสโมทุกโขกายเข้าไปสงบกายนั่นหมายความว่าสงบแล้วไม่มีร่างกายอยู่ในต่อไปอีกตายแล้วไปนิพพานอันนี้เราว่ากันถึงตัวสุดท้ายเนะี่ยอันนี้มาว่าถึนตัวตัง้งต้นต้นปณิยเลอเล ย, เลยบืบ้องต้นไป เตื้องต้นถ้าจับอารมณ์กระสินได้ตามมาอย่างว่าจะลืมน้ำเบาใหม่ๆสรงแล้วพอดีก็สลายตัวบ้างใ้้อุปสันนายานเดี๋ยวก็เกิดเบื่อซะบ้างถ้าเบื่อสมาติาก็สลายานไปจับผ้ากระสินใหม่สลับกันไปสลับกันมาย้าอลำคันต่อมากใช้กำลังกระสินเข้ามาจับคิดว่าเราต้องตายไหมอันนี้เห็นชัดแต่เราเกิดมาแล้วต้องตาย ตายแล้วไปไหนใจดีไปสวรรค์บ้างไปผมบ้างยีผ่านบ้างกำลังใจมาดีแปลบายภูมิหรืออยากหาโฆษณาขายหนังสือตัวอย่างหนังสือเยอะระวังนะผู้ดจดเลขาฐานตัวอย่างหนังสือมีเวลาจะตายบากเข้ามาตัดหน้าเห็นไหมอ่านหรอย่างยังไม่อ่านรีบอ่านเจ้าขอไม่ได้ต้องซื้อถ้าชอบชอบกันก็พันบาทถ้าคนไม่ชอบกันก็พันสตาง ระลงความว่าอันดับแรกนึกถึงความตายมันเห็นชัดในการที่สองเพื่อห น, นีทุภพยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยกําลังของด้านสินนี้เป็นทิฏญาณเนี่ยนึกถึงพระเจ้าพระสิเห็นชัด ท, ทันทีความเลื่อมใสความเพื่อนใจใจะเกิดขึ้นนึกถึงพระธรรมคําสอนพระเจ้าเห็นกันหลังไหลเป็นดอกมะลิแก้จาจับโซของพระองค์เห็นชัดมาก การนึถึงพ้ะไวยสงส์เห็นแคล้วคลาหมดเต็มให้ตัวปีติก็เกิดขึ้นความอิ่มใจเกิดขึ้นตอนนี้สรงอารมณ์มชานแล้วต่อไปก็นึกถึงสินที่ต้องการอามายภูมิสินห้ากำหนดสิทธิถ้านึ่ถึงสินห้าคือสินหรือกำหนดสิทธิอารมณ์ต่างๆที่เป็นสินห้ากำบนดสิทธิจะเกิดครบรวมความทุกอย่างเขาก็บริบูจะมีอรมณ์จับแน่นจะมีการส่งตัว แต่ถึงกระไรก็ดีขณะใดาที่ยังเป็นฌานโลกียอยู่ก็ยังมีเวลาส่วนยัมีเวลาคลายไม่หากว่าจะเรียนตัสิงขอจับยึดมั่นในภาพตัวิงให้ดีแล้วทุกครั้งที่เราสิงทรงตัวดีแล้วก่อนจะเลิกให้ยึดถึงความตายก่อนจิตจะทรงตัวไม่ใช่จิตจะทรงถ้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าไม่ถึงพระธรรมนม่ถึงพระอริยสงฆ์หลังจากนนก็นึกถึงศิ้นห้าได้กำปนดศิษย์ สินห้าบวกกำบนดสิบเวลาแยกเดินมาหลายที่มาเร็วในันก่อนจะพูดในศาสตร์สินห้าในมันก็เหมือนกำหนดสิบแต่ร้องสิพื่อมีกำหนดแยกมากกว่าอันนี้นะทางกายหนึ่งในทางกายใน 3, 1, า ส, 2, ม ส, 3, มสนามสนนะหนึ่งใาสัต์สองในลักทรัพย์สามในพฤติกรรมในกำหนดสิบกับสิน้าเนี่ยขอต่อยข้อนึงไม่เดินโซลาร์มีไรไปสี่ ถ้าจต่ออย่างนี้ก็ต้องมาเป็นส1ถ้าทางวาจามีสี่นไม่พูดปดสองไม่พูดกัมยาสองสาไม่สอเสียดยุคแตกกันคือมณีทาชาว บ, บ้านแล้วก็สไม่พูดเลวไหลได้ประโยชน์ด้านจิตใจมีส1หนึ่งไม่อยากได้ทัพย์สมบัติของบู่คอื่นใดโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่อยากได้ ภารกาิจสองไม่จองล้านจองผายใครความเกิดจะมีอยู่แต่ไม่จองล้านจองผายผาไม่โกรธครวแล้วก็ภารกาิจสามมีความเห็นตรงตามพระเจ้าทรงสอนวิลธรรมมาจะสมาธิกิจ ค, ความเห็นชอบนะคือว่าเห็นด้วยกับคําสอนพระเจ้าเพียงแค่นี้บรรดาญาโยามพระตระกิจถ้าทรงตัวได้ ก็ถือว่าท่านปฏิบัติคล้ายเกลงและเท่ากับตาโสดาบันสีทาคามีเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าเป็นหนูไหลไฟฝันว่าเป็นเป็นก็ช่างไม่เป็นก็ช่างแต่ว่าทําได้อย่างท่านไมเมื่อท่านไม่ต้ององมาไวยกุมสี่กอไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุริกายเป็สติฉันเราก็ไม่เกิดอยท่านในที่นั้นอีกมีทางเดียวตั้งหน้าตรงปฏิบัติอริดาญาติโยมผู้โดยสัตว์ทุกขนเวลาหมด30นาทีโรบี